น, นี่เล่าให้ฟังนะว่าบางเรื่องเขามาตั้งเป้าไว้สิบปียี่สิบปีเนะี่ยไม่ได้รีบเร่องอะไรหรอกแต่ว่าเลิกไม่ได้ก็คือต้องมีใจเพราะถ้าเราไม่มีใจไปก่อนนะอย่าไปคิดนะว่าเราจะจะจ ะ, จะสนใจจะรักรู้จะใฝ่รู้อย่างที่โยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งรถผ่านสำนักเรียนอนภะิธรรมแห่งหนึ่งเขาเขาเห็นป้ายปักว่าเขาอยากเรียนบ้างแล้วก็ลืมไปเลยยี่สิบสามสิบปีผ่านไปจริงว่านั่งเรียนอนภะิธรรมก็ก็เออเป็นยังไงอะไรสนใจ คิดดูนะมีใจทิ้งไว้ตั้งกี่ปีอยี 20, ่สิบสามสิบปีนี่ก็เหมือนกันไม่สายหรอกขอถามว่าที่พูดนีอยากให้เรารู้อะไรอยากจะบอกว่าให้เรามีใจกับธรรมะระดับสูงก่อนจริงอยู่ปากเราบอกปราถนาะมัคผลนิพานเชื่อเพรามาไม่ว่าหรอกโดยคําแต่ว่าเราไม่มีอัธยาศัยไอ้นี่มัคผลนิพานคืออะไรแบบมีใจจริงๆอะนะแบบคนมีใจมีคนสนใจคนชอบใจแบบเรา แต่เช่นอะไรนะถ้าเราชอบดอกไม้เราจะสนใจรายละเอียดทุกอย่างเลยฉันใดอย่างอริยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีใจในอริยศาสตร์จริงๆเนี่ยเราจะชอบทุกเหมือนก็ว่าคนดูดอกไม้นี่มันดูได้ทุกกลีบจริงๆเลยเนียดูได้ทุกกลีบแม้กระทั่งมันมีใยอะไรในนั้นอ่ะมันดูหมดเลยเพราะมันชอบอะฉันใดถ้าเรามีจิตใจใฝ่ต่อการ แทงตลอดอริยศั์เนี่ยเราจะสนใจในรายละเอียดทุกประการทุกอย่างโดยประการนั้งกวงแต่ถ้าเราอ่านเมื่อไรฟังเมื่อไรแล้วเราไม่มีใจเลยไม่ไม่ชอบเลยไม่อยากรู้เลยทั้งทั้ ง, ท, งที่รู้ว่าเป็นเรื่องดีแต่ทาไมใจเราไม่ยอมรับเลยแปลว่าเราไม่มีใจกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่มันเบื้องต้นเวลาทาบุญเนี่ยตั้งความปรารถนาขอให้มีใจก่อน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 ถึงอยู่ในชนบทก็ได้คบกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาไม่บ้าใบ้บอดหนวกเป็นต้นไม่ีิการทางสติปัญญารู้ดีรู้ชั่วพระธรรมคําสอนก็มีอยู่ น, นะว่าเวลาของเราที่จะแบ่งให้พระธรรมเป็นต้นก็ยังมีอยู่สติปัญญาก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเสื่อมจากคุณสรธรรมเหล่านี้เราจะเสื่อมขนาดไหนก็บอกว่าพ่อค้าที่ทเธนว่าค้าขายกําไรต่อหน้าต่อตาที่แสนหนึ่งสมัยก่อนนะแสนหนึ่งสมัยนั้นอนะแพงมาก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 ที่เรื่องนี้จําเป็นที่สุดสําคัญที่สุดแต่บอกตามอัธยาศัยกันแล้วกันนะแต่ถ้าวิชาอื่นๆนี่สั่งเลยนะแกต้องทําแกต้องเรียนถะแกไม่เรียนตัดพ่อตัดลูกนะตัดญาติตัดนิดตัดพวกตัดพ้องไม่ทำได้หมดนะแต่ว่าพระพุทธศาสนาบอกแล้วแต่เขานะนะือทํ า, า, า, าทเป็นเหมือน ผ, อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหลือเกินเลยนะถ้าสามัญเหมือนว่ามีสามัญจะสํานึกจริงๆเลยแต่จริงๆแล้วทางพุทศาสนาเป็นเป็นเป็ น, ปนถ้าเป็นสมัยก่อนเลยนะ สมัยอนาถาบินทิกาเนี่ยสั่งเลยนะทำลูกเอาทุกอย่างเลยนะจ้างฝังก็เอาอางั้นนะทั้งขูทั้งเที่ยวทั้งเกม เ, เพราะเป็นสิ่งที่ที่ดีมีประโยชน์จริงๆของเราทั้งหลายเราทําคุยกระจายเราไว้อย่างไงบ้างนะคุยกับทายาจิตรราชของเราไว้อย่างไรบ้างเราจะขอรู้อะไรขอเรียนอะไรขอรู้แค่ไหนรู้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะต้องต้องคุยกันให้ดีๆเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยใจเขาไม่เอานะคือใจของเราเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยชอบบังคับเท่าไหร่หรอก ทันทำยังไงที่จะให้เรามีจิตใจฝักฝ่ต่อเอคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะต้องมีฝึกมีใจก่อนนะสมมติถ้าเราเป็นคน เ, เป็นสมมตินะถ้าเราเป็นโทสะเฉลดโกรธง่ายเครียดง่า ย, ายไม่สบายใจบ่อยไม่ดีเลยนะเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ระยะยาวๆเสียหายนะไม่ดีนะถ้ามีเมตานี่ดีต้องมีเมตานะชาตินี้เราต้องมีเมตานะ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 หรือพระเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีทั่วไปขอใได้กราบได้ไหว้ทุกองค์ไหว้ด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสปีติและโสมนัตตามและลึกนึกถึงคุณถ้าตั้งความปรารถนาด้วยใจจริงแบบนั้นนั้นมันทําได้แล้วมีความสุขด้วยเวลาได้กราบได้ไหว้ฉันใดผู้ที่มีใจต่อการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็ชั้นนั้นเราก็ต้องคอยเปิดประตูใจของเราเหมือนกับคอยอธิบายคอยชี้แจง อ่ะ น, นะคือบังคับไม่ได้เราเชื่อเหรอเราเอาไหมให้คนบังคับเราไม่ได้ฉันใดใจของเราที่จะเพิ่มภูมคุณธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นภาษาธรรมะมจะบอกว่ า, วารู้โทษของการไม่มีโทษชงเห็นอา น, นิสงส์ของการมีโทษชงเหมือนกับว่าเห็นโทษของการทุศีลแล้วก็เห็นอา น, นิสงส์ของศีลฉันนั้นเนี่ยนะคนที่จะมีศีลได้ต้องเห็นโทษของความทุศีลแล้วก็ผลกําไรที่เกิดจากการ รักษาศีลคนที่เจริญโพชฌงได้ก็เหมือนกันเห็นโทษของการไม่มีโพชฌงว่าถ้าเราเสื่อมจากสติสามโพชฌงเท่ากับเราเสื่อมจากประตูพระนิพพานถ้าเราเสื่อมจากโพชฌงแต่ละข้อแต่ละข้อเราเสื่อมจากประตูพระนิพพานนะถ้าเรามีโพชฌงแต่ละข้อนี่นี่คือประตูแห่งความพ้นทุกประตูแห่งความดับทุกนี้คือประตูที่จะทาให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตเล็งการไกลเอาไว้มากม เลงการไกลระยะยาวอาไว้บ่อยๆถ้าเรามีโพชชงเหล่านี้เราจะพ้นทุกอะไรบ้างชี้แจงรายละเอียดก็เรียกว่าคุยกับใจของเราให้เป็นเรื่องเป็นราแต่ถามว่าทําแบบนี้บ่อยๆดีไหมของเราเนี่ยไปอ่านเรื่องตาลปุตตะเทรคาถาเทรคาถาเรื่องสุดท้ายมีภาพรูปหนึ่งเป็นนักกล่องใจตัวเองตัวยงเลยนะอดีตท่านเป็นนักร้องเป็นนักร้องร้องเพลงที่มีชื่อเสียงมากปริวานหางวงเนี่ยหางเครื่องให้เป็นร้อยห้าร้อย นะก็แต่ว่าตอนหลังก็มาบวชบวชแล้วก็เป็นคนที่พูดคุยกับตัวเองกตลอดว่าจิตเอ้ยเนี่ยนะเมื่อก่อนเธอเคยบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่หรือเป็นต้นเนี่ยนะพรามีการพูดคุยกันภายในเนี่ยนะฉันได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสในธรรมบทว่าอัตโนโจทยาตานังก็คือตนเตือนตนคําว่าเตือนตนไม่ใช่ขู่ตนนะแนะนําตักเตือนบอกกล่าวเนี่ยนะชี้แจงอธิบายเชื่อไหมเราคุยกับคนอื่นเนี่ยบางทีเราอธิบายดีนะ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 เกลียดกล่อมคนอื่นหรือพูดคุยกับคนอื่นที่เราคุยกับเขาดีๆกายของเราถ้าคุยด้วยกันดีๆบ้างเนะี่ยนะโอาจะประสบความดีไม่ใช่น้อยเขาจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเองนะเขาต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นนะรู้แชง่งไปทําไมแก้นี่มันเลวกั น, ม, นม่ฉลาดกัมันโง่นะเป็นต้นเนี่ยบางคนไม่ชอบดูถูกตัวเองเขาบอกว่าเหตุที่ฟังทำแล้วไม่บรรลุเนี่ยนะมีเหตุผลหลายประการหนึ่งดูหมิ่นตัวเองก็เรามันเนี่ยไอ้เรามัน ปั่นนอกขอกหน้าไม่มีปัญญาจำอะไรไม่แม่นแล้วแต่จะสันหามดาด่านะสันหามาดูถูกสันหามาดูหมิ่นสันหามาเหยียดยามยามตัวเองอยงนั้นอย่างที่สองดูหมิ่นคนพูดดูหมิ่นคนแสดงก็อย่ยังงั้นยางงั้นแหละมาองั้นอย่างที่สามก็ดูหมิ่นเรื่องเรื่องนี้ฟังมาแล้วรู้แล้วทั้งนั้นแหละแบบงั้นเห็นมีอะไรแบบนั้นดูถูกเรื่องอันหนึ่งก็นั่งใจลอย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 ตั้งใจอีกหน่อยนะเราเอาจจะตรัดสู้ก็ได้อาจจะบรรลุได้เร็วก็ได้ใครจะรู้ว่าเราเป็นลูกหลานพระพายยมาก่อนก็ได้ตัดสู้เร็วอย่างเงนะเราคุยกับตัวเองดีๆเนี่ยนะเรามีศรัทธานะต่อไปเอาคนที่เจริญเทวานุสติเขาก็คิดอย่างนี้แหละสมัยเทวดาเราได้เขามีศรัทธาเป็นต้นเราก็มีอ่ะนะจะไปดูถูกเราทําไมไม่ดูหมิ่นตนนะก็อย่างที่ว่าใครที่ดูหมิ่นตนเนี่ยแต่ว่าตัวเองต้องทําเลี้ยงตัวเองก็ต้องเคารพตัวเองถ้าสมัยสมัยก่อนก็บอกว่า โคใครเกวียนใครก็ต้องชมโคคนนั้นเกวียนคยนนั้นใช่ไหมเพราะว่าโคคนอื่นเกวียนคนอื่นถึงจะดีจะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้บรรทุกเราไปไหนหรอกก็ไม่ใช่ไอกโรคกโสของเราเนี่แหละฉันใดก็ดีใจของเราก็อยู่กับเราก็ให้กําลังใจบ้างสิปลุกปลอบใจของเราบ้างนี่ต่อไปเราก็ต้องไม่ดูถูกผู้แสดงว่าพราะเขาก็มีอยู่เรื่องหนึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลใช่ไหมเขาคิดว่าพระสมณะโคดมนี่ยังหนุ่มนักเหรอเนีย เพราะถ้าเทียบกับเจ้าลับที่อื่นๆพระพุทธเจ้าตอนนั้นอายุสามสิบกว่าเองสามสิบห้าสามสิบหกองนะสามสิบ้าสามสิบหกโอ้พระสมณะโคโดมยังเด็กนักอะไรอเงนะี้ยนะที่ที่พระองค์บอกว่าอย่าไปดูถูกนะว่าอะไรนะอะไรกษัตริย์นี่ว่ายังส่งพระเ่าเป็นต้นนะอสรพิษว่าตัวจะน้อยไฟนี่มันเล็กน้อยจะไม่เผาเมืองเป็นต้นนะรนะเราก็ต้องไม่ดูถูกผู้แสดงด้วยเหตุผลใดเพราะว่าอาจจะกล่าวเป็นอัดเป็นธทำคําที่เขาพูดเนี่ยไม่ใช่ของเขาเป็นของพระพุทธเจ้า ก็ตั้งความเคารพไว้ในธรรมเนี่ยนะว่าเนี่ยเขาเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงนะลองฟังดูสิบ่าพระธรรมเนี่ยดีอย่างไรเนี่ยนะพระธรรมเนี่ยที่เพราะว่าพระธรรมเหล่านี้สามารถตกตรักษ า, าผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่ในอบายแล้วก็ตั้งอยู่ในความเคารพธรรมแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านเนี่ยนะบอกเห็นโทษของความฟุ้งซ่านว่าคือเคยเห็นคนที่ไปดูอะไรแล้วแหมมันมันพลาดไม่ได้เลยนะสำนวนว่าตาวาวที่จะฟังอันนั้น เมื่อไรหูเราวาวเนี่ยโอ้นี่คํานี้ดีนะนี่จะช่วยให้เราบรรลุนี่คําเหล่านี้ถ้าเรารู้จริงนี่บรรลุได้นะฟุ้งไปทําไมเนี่ยเสียหายขนาดไหนถ้ามองแต่ละคาแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยช่วยบรรลุมรทั้งนั้นเลยถ้าแต่บิดอกแต่ละคําแต่ละคําแต่ละพยัญชนะช่วยให้เราบรรลุได้ทั้งนั้นแหละนี่แต่ละคําแต่ละคําแต่ละเนี่ยเหมือนกับรัตนะเลยนะเหมือนเพชรแต่ละหลายๆร้อยกรัฐเลยนะแต่ละแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทถ้าเราให้คุณค่าให้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 สติเจตสิกเป็นต้นนั้นก็คือแต่ละอย่างก็ชื่อว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะปีติปัสสัที่สมาธิแต่ละองค์ที่มีอยู่ในใจถ้ามีเป้าหมายชัดเจนแต่ละอย่างก็เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ถ้าใครปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะเจริญโพชฌงหรือแม้กระทั่งโพชฌงระดับบรรลุมรรคผลวันหลังมีใครมาแสดงโพชฌงไม่หายป่วยเลยเนะี่ที่หายป่วยนี่เพราะระลึกถึงข้อปฏิบัติเก่าๆที่ตัวเอง ตั้งใจมาที่ได้ดิบได้ดีเช่นอย่างว่าถ้าเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเป็นพระโสดาบันก็เพราะเจริญพ่ชงจึงได้เป็นพระโสดาบันเมื่อท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่สบายใครมาแสดงพ่ชงให้ฟังท่านจะหัวลำลึกถึงความหลังครั้งเก่าๆที่ท่านได้เคยเจริญมาและหายป่วยนะโดยเฉพาะโรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะที่เกิดจากบางอย่างหรืออาหารเป็นสมุทฐานบางอย่างเนี่ยพ่ชงเหล่านี้ช่วยรักษาได้ ทันสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่สบายเขาจะแสดงโพชงว่าโพชงนี่ดีนักแล้วนะนะโพชงที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อมรักผลเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โพชงเจ็ดมีอะไรบ้างสติสัมโพชงเป็นต้นวิธีเจริญก็เจริญโพชงแต่และอย่างอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาเจริญคุณธรรมเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อฟังเมื่อไหร่ก็ สบายใจเนี่ยฟังเมื่อไหร่ก็สบายใจเพราะสิ่งนั้นเป็นเป็นคุณงามเป็นความดีที่ที่ช่วยปกปักไม่ให้ตกไปสู่อาบายเป็นต้นเลยนะฉะนั้นโพชงในในช่วงนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายในรายละเอียดแต่มุ่งอธิบายในเชิงโครงสร้างเพื่อประดับความรู้ในอย่างอื่นเพราะในรายละเอียดเกี่ยวกับโพชงแต่ละข้อนี้ก็มีโพชงคาถาในปฏิสัมพิธามมักในอนาคตการมีอยู่ในที่เรียกว่าโพชงคาถา